แล้วก็เทาสักการก็รู้ว่าทำให้ทันน่ะหายไปจากจันดาบาดึงตรงทำอย่างไรเวลาคนที่เราไม่ชอบอ่ะคิดว่ามาถึงบ้านเราไม่ยอมไปมีใครบ้างไม่ยอมพยายามจะแร่เมตตาแล้วก็พยายามจะไล่ออกจากบ้านไม่ได้ทำจิตแต่ตูสะปรากฏบด้วยความโกรธถึงแม้จะเราพูดแบบตามมารยาทแต่จิตใจ มีความไม่พอใจดังนั้นยังความโกรธเกิดขึ้นถึงแม้จะพูกผู้อื่นดูไม่ออกถ้าเป็นเทวดาหรือแบบยักษ์ประเพนี้รู้ทั้งที่เลยเท้าสักกะเ็ามาหายักษ์ตนนั้นตอนนี้นั่งอยู่ที่พระทับของเท้าศักคะแต่เท้าสักค ะ, กคะไม่ได้โกรธแม้แต่นิดเดียว อาตมา ก, ก็นึกถึงว่าไม่ธรรมดานะโยมการสํารวมมินรีของเทวสักกเทวราชอันนี้ไม่ใช่ว่าที่ระทับมันเก้าอี้ที่บ้านเรานะโยมอันนี้เป็นอาสนะที่ปรากฏเพราะบุญญาธิการของเทวสักอันนี้จะบ่งบอกว่าตําแหน่งของท่านนะนี่แหละเป็นสัญลักษณ์แต่ถ้ามีการสํารวมมินรีแบบระดับสูง ไม่โกรดแม้แต่นิดเดียวเรามาถึงทีนั่าเห็นว่าคนนึงอ่ะบุกรุกที่ของเราอ่ะอยังไม่โกรธยังไม่โมโหไม่ให้ความไม่พอใจเกิดขึ้นในจิตใจมันเวลาเราไม่ได้อยู่ที่บ้านอ่ะคนขังนอกมาบุกรุกเราก็กลับมาบ้านเห็นว่าเขาแบบโอ้แบบนั่งบนเก้าอี้เปิดทีวีนี่แหละเตรียมอาหารกินอาหารในตู้เย็นทั้งหมดเลย กิรกรักษาจิตใจได้ไหมแต่เท่าสักกะทำได้และช่ไม่ใช่แค่นี้เองเท่าสักกะก็พนมมือนั่งแบบคู่เขาแต่ก็ข่างเดียวนี่คือวิธีเทวดาปรกพรมเวลานั่งใช้ชาหนีแสดงความเคารพ คูเขาแทเข้าแบบขังเดียวคือข้างขวาแต่เขาไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ทำว่าทำให้ทําแบบนี้มันไม่ได้พูดแม้แต่นิดเดียวประกาศปานามสามครั้งว่าท่านผู้เจริญเราคือเท่าสักเทวราชท่านผู้เจริญเราคือเท่าสักเทวราชท่านผู้เจริญเราคือเท่าสักเทวราชถึงสามครั้ง แต่เรื่องที่สำคัญคือมีเมตตาจิอันนี้โกหกไม่ได้มเพราะอะไรโต้สะเกิดขึ้นแม้แต่นิดเดียวเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นรูปร่างของยักษ์ตนนั้นสวยขึ้นไปเรื่อเรื่อเื่อื่อเือรื อ, อ, อโกหกโลกอะไรไม่ได้ท้าวสักการก็เรย่ น, นี้ประกาศตัวท่านนะโดยความเมตตา ชาวสกา ก, ก็ประกาศตัวท่านนะด้วยความเมตตาได้ประกาศใดๆยักตนนั้นเ็ากลับมาเป็นภูมิผิวพรร์ไม่งามตัวก็แบบเห ล, ล, เ ล, ลกล่งเหลกล่งกลับมาเป็นหน้าตาเขาไม่สวยงามมันเดิมสักพักหนึ่งก็อันตรธานหาย ในฉันดาบดึงไม่มีเทวดาองค์ใดรู้วิธีแก้ปัญหาแต่ว่าเมตตาจิตของเท้าสักคะแก้ปัญหาได้แบบแปบ๊บเดียวนิชลาจริงๆนะโยมเนบางครั้งก็พวกเรามนุษย์เราก็แบบโอ้วหดนะเรามนุษย์เราเก่งมากเก่งในการเจริญในธรรมะเรืองต่างๆ น, นี่ไม่ใช่ความจริงเสมอเมตตาจิตของเทาสักกะก็แก้ปัญหาได้อย่างเร็วถ้าในกรณีนี้นะโยมถ้าเทาสักกะหายุติธรรมจะแก้ปัญหาได้ไหมตอนนี้ในกรณีนี้เทาสักกะเป็นไยตูกต้องไม่มีอะไรผิดพลาดในไฟเทาสักกะเลยไยผิดพลาดเกิด ยักตัวนั้นแต่ถ้าไปตมนี้ว่าเริต่ต่างๆแก้ปัญหาไม่ได้มันทำให้ถูสะปฏิกะเกิดขึ้นชีวิตเราก็เหมือนกันนะโยมเวลาตูสะปฏิฆาความโกรธเกิดขึ้นส่วนมากเราก็นึกถึงว่า mm hmm. เหตุปัจจัยที่ทำให้เรากโกรธโมโหเกิดขึ้นจากภายนอก แต่ความจริงเหตุปัจจัยที่ทำให้ตูสะปฏิฆาความโกรธเกิดขึ้นไม่ใช่ภายนอกมันเกิดขึ้นภายในจนตึงปูเราเข้าใจเรื่องนี้จเจริญในธรรมไม่ได้จนดึงเข้าใจปัญนาตัวนี้จเจริญในธรรมไม่